อะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าว่าไม่ได้ฟังธรรมของผู้เจ้าก็อาจจะไม่มีโอกาสผู้เจ้าก็เลยแสดงธรรมสั้นๆว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสก็สักแต่ว่าได้ลิ้มรสได้สัมผัสก็สักแต่ว่าได้สัมผัสแม้เมื่อมีจิตรู้ในอารมณ์ต่างๆก็สักแต่ว่ารู้เมื่อนั้นตัวเธอจะไม่ม e ี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 ประตูวัดพระพุทธเจ้าเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระุทธเจ้าเห็นว่าพระจุลพัธกาคนนี้มีอินทรีย์ที่จะเข้าใจธรรมะก็เลยหาวิธีง่ายๆให้พระจุลพัธกาเอาผ้าขาวผืนหนึ่งให้แล้วบอกว่าให้ลูกคลำผ้านี้ลูกไปเรื่อยๆนะอย่าไปหยุดลูปไปก็พิจารณาบริกรรมไปด้วยนะว่า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 อย่างพระอานน์ก็เช่นเดียวกันพระอนน์นี่ก็เดินจงกรมทั้งวันบาเพ็ญเพียรทั้งวันเพราะว่าต้องการที่จะไปร่วมสังคยานาสังคยานาหลังจากที่พระเจ้าปรรณีพา น, นี่ต้องการพระอาหารหันต์หรแต่ว่าตอนนั้นได้พระอาหารหันต์มาเพียงแค่499้าขาดรูปหนึ่งก็ต้องการพระอนนนี่เนี่ยเข้าไปร่วมเพราะว่าท่านเป็นพระหูสูตรทรงจาพระสูตรได้เยอะมาก